ความหลังในสังสารบทที่สองนี่กรรมข้ามชาติเวลาผ่านไปสีชั่วโมงนกเหล็กยักษ์ก็ร่อนลงสู่ท่าอากาศยานกรุงเทพ ที่คนไทยเรียกติดปากว่าสนามบินดอนเมืองกับตันประกาศตามสายขอบคุณผู้โดยสาร130ชีวิตที่ใช้บริการของการบินไทยแต่ข้อความแรกที่กับตันพูดว่าเราได้นำท่านมาถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนั้นจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเห็นว่ายังไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะคำว่าจุดหมาย ที่เขาพูดถึงเป็นจุดหมายทางโลกที่ชาวโลกสมมติกันขึ้นมายังเป็นโลกิยะส่วนจุดหมายที่แท้นั้นเป็นโลกุตระซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถไปกำหนดหมายให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้แต่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการศึกษาพัฒนาตนตามหลักไตรสิกขาที่พระบรมศาสดาทรงแนะนาสั่งสอนไว กว่า 2,500 ปีมาแล้วไตรสิกขาแปลว่าสิกขาสามหรือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาสามอย่างได้แก่อธิศีลศสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเรียกง่ายๆสั้นๆว่าศีล ส, สมาธิปัญญามีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่10ข้อที่77 หน้าที่เก้าสิบเก้าไตรสิกานี้มีอยู่ครบครันในมากมีองค์แปที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรเมื่อวันเพนเดือนอาสาลหะหลังจากตรัสรู้ได้สองเดือนเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกจึงเรียกว่าปฐมเทศนาผู้ฟังเป็นนักบวชห้ารูปเรียกว่า คณะปัญจวคีมีท่านโกนธัญญาเป็นหัวหน้าทรงแสดงปฐมเทศนาณป่าอิสิปตนะมลึกขทยวันแขวงเมืองพารณสีมีหลักฐานในพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสามถึงสิบเจ็ดหน้าที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามส่วนสถานที่นั้นท่านไปเห็นมากับตาแล้ว สมัยที่อยู่กับโยมยายท่านไม่มีศรัทธาภาาธรในพระศาสนาแม้สักนิดและยังคิดอกุศลว่าพระพุทธเจ้าไม่มีเคยเถียงโยมยายคอเป็นเอ็นว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกเรื่องตาชูชกไม่มีจริงแม้บวชแล้วก็ยังไม่มีศรัทธาคิดไปว่าบวชตามประเพณีนิยม เฝ้านับวันนับคืนที่จะลาสิกขาทว่าท่านโชคดีมีบุญญาจึงได้มาประสบพบครูอาจารย์ที่ล้ำเลิศประเสริฐศีมีเมตตาปรารถนาดีต่อสิทธิ์กัลยาณมิตรสั่งสอนแนะนำให้ดำเนินชีวิตที่ดีงามประสบความสุขความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาในกุศลธรรมละกรรมดำสร้างกรรมขาว ชีวิตจึงยืดยาวมาได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นโล ก, กุตระณะป่าดงพระยาเย็นจึงได้เป็นครูอาจารย์สอนสั่งและสืบสารงานพระศาสนามีลูกศิษย์ลูกหามากมายถึงแม้จะตายก็ไม่เสียดายชีวิตเพราะกิจที่ชอบทาเสร็จสาเร็จแล้วนายสมชายไม่ได้มารับท่านพระครูที่สนามบิน เพราะท่านบอกไว้เมื่อวันไปว่าไม่ต้องมารับครั้นเขาถามเหตุผลท่านก็ตอบโวควนแบบยนยนโยนยาวๆว่าวันกลับจะมีญาติโยมาเข้ากรรมฐานกันมากให้เองกับเจ้าขุนทองช่วยกันรับแขกพวกเขากำลังมีทุกข์จะไม่ให้ข้าช่วยข้าต้องช่วยเพราะนอกจากข้าไม่มีใครช่วยพวกเขาได้เองไม่ต้องถามรอ ข้ารู้ว่าเองกำลังจะถามว่าหลวงพ่อช่วยเขาแล้วได้อะไรข้าก็จะตอบโดยไม่ต้องรอให้เองถามก็ได้ช่วยไงละ่ะได้ช่วยแล้วก็ได้ใช้ด้วยเองอยากรู้อีกใช่ไหมล่ะว่าที่ข้าได้ใช้นะ่ะใช้อะไรใช้หนี้กรรมไงใช้หนี้กรรมข้ามชาติชันะเองสองคนจำไว้ เป็นนี่ใครต้องใช้เขาให้หมดถ้าใช้ไม่หมดเขาจะมาตามทวงทุกพบทุกชาติเลยท่านสอนทั้งนายสมชายสิก้นกุติและนายขุนทองหลานชายซึ่งฝ่ายหลังเนี่ยกำลังทําหน้าบอกบุญไม่รับเขาอยากไปอินเดียกับห ล, ลงลงแต่หลงลงไม่อนุญาตจึงประท้วงด้วยการนั่งหน้าเงาหน้างอเหมือนมือนางกวักบวกจะหวักตักแกง ฝ่ายนายสมชายก็เย้ ว, วยาวยาวว่าหลวงพ่อขอรับกระผมถามนิดเดียวว่าทำไมวันกลับจึงไม่ให้กระผมมารับหลวงพ่อก็ตอบวกวนจนผมชักเวียนหัวสรุปว่าผมไม่ต้องมารับเพราะจะมีคนมาเข้ากรรมาฐานที่วัดกันมากให้กระผมกับเจ้าขุนทองช่วยกันรับแขกใช่ไหมขอรับ หลวงพ่อไม่น่าพูดย่นเยออให้เสียเวลาทำมาหากินของกระผมเลยนะขอรับสิทธก้นกุติต่อว่าด้วยความเคารพอย่างสูงท่านพระครูจึงแก้เผ็ดว่าที่ต้องตอบวกวนเพราะคนฟังเป็นเหตุต้องพิจารณาเป็นพิเศษวสติปัญญาคนถามอยู่ในระดับใดถ้าฉลาดมากข้าก็ตอบสั้นๆไม่ต้องวกวนผกผัน เหมือนตอบคนฉลาดน้อยนายสมชายคิดว่ายิ่งพูดยิ่งเข้าเนือ้อแต่ก็หยุดพูดเสียเลยก็เกรงว่าจะกระทบกระเทือนงบประมาณแผ่นดินจึงต้องพูดขึ้นลอยลอยเพื่อช่วยใหรัฐบาลประหยัดงบประมาณว่าพูดไปสองภายเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองจากนั้นก็ไม่พูดอีกกระทั่งขับรถมาจอดเทียบที่ประตูพูดโดยสารขาออก ยกมือไหว้ท่านพระครูโดยไม่ดูหน้าท่านขุนทองเดินไปส่งลุงถึงข้างในแล้วจึงเดินววๆกลับมาขึ้นรถที่นายสมชายจอดรออยู่จากนั้นก็พากันกลับวัดป่ามาม่วงเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงรู้ว่าเท่าแก่เสงจะต้องอนุเคราะห์ท่านด้วยการไปส่งที่วัด แม้ท่านเองก็ต้องการอนุเคราะห์เขาด้วยธรรมทานเพราะการให้ธรมชำนะการให้ทั้งปวงดังพระบาลีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่34หน้าที่63ว่าสัพทานังธรรมทานังชินาตินั่นแลท่านจึงไม่ออกไปเรียกรถแท็กซี่ด้วยประการชนี้หลวงพ่อมีคนมารับหรือเปล่าคะ โยมผ่องสายถามท่านพระครูหลวงพ่อวัดดอนเมืองมีลูกศิษย์มารับและกล่าวลากันเรียบร้อยส่วนคณะผู้ร่วมเดินทางไปแสวงบุญก็มีคนมารับกลับพวกที่ไม่มีคนมารับก็เรียกรถแท็กซี่ไปส่งทุกคนรวมทั้งน้องชายท่าแก่เสงและผู้นำทัวร์มาลาท่านและหลวงพ่อวัดดอนเมืองแล้วคงเหลือแต่ท่านกับโยมเสง และโยมผ่องใสคู่สามีภรรยาที่ใจบุญสมกับชื่อนามสกุลอาตมาไม่ให้เข้ามารับเพราะเดี๋ยวจะมีคนเข้ากรรมาฐานที่วัดเลยให้เขาช่วยกันรับแขกท่านหมายถึงนายสมชายกับนายขุนทองถ้าเช่นนั้นผมไปส่งหลวงพ่อนะครับสิงห์บุรีกับสุพรรณบุรีไม่ได้อยู่ไกลกัน หลวงพ่อมีบุญคุณต่อผมมากหากผมไม่ได้ไปอินเดียกับหลวงพ่อผมก็จะไม่ได้พบของดีที่มีค่ากว่าแก้วแหวนเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆในโลกเพราะเมื่อตายลงเราก็เอาทรัพย์ติดตัวไปปอลโลกด้วยไม่ได้ของดีที่คบพบคือการได้ดวงตาเห็นธรรมขณะฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกับวัตนสูตรที่หน้าธรรมเมคฆคสทูปในตอนเย็นของวันที่สี่กุมภาพันธ์2528อย่าไปคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยเป็นเพราะโยมมีบุญเก่ามาถึงได้ไปเจอของดีที่นั่นทั้งบาปทั้งบุญจัดเป็นกรรมและแต่ใครจะทำใครสร้างบาปเป็นกรรมชั่ว บุญเป็นกรรมดีไม่มีใครสร้างให้ใครได้แม้พระพุทธองค์ก็ทรงสร้างบาปสร้างบุญให้ใครไม่ได้นอกจากตัวเองสร้างเองอาตมาไม่ได้พูดเองนะมีในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าตุมเหหิกิจจังอาตับปังอค า, าตาโรตถาคตาอยู่ในคาถาธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25้าข้อสาสิบ หน้าที่ห้าสิบเอ็ดแปลว่าอะไรครับหลวงพ่อผมไม่เคยเรียนภาษาบาลีโยมก็อยากรู้คำแปลค่ะโยมผ่องใสก็ไม่เคยเรียนภาษาบาลีจึงไม่รู้เช่นเดียวกับสามีคำแปล ก, ก็คือความเพียรพวกเธอทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทางให้เท่านั้นขยายความได้ว่า การที่เราจะบรรลุมรรคผลเราต้องทําเองเมื่อทําก็ต้องมีความเพียรพยายามครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําคือบอกทางให้เท่านั้นโยมเข้าใจหรือยังละ่ะเข้าใจแล้วครับเท่าแก่เสียงต่อโยมผ่องใส ย, ยังไม่เข้าใจเพราะยังไม่พบของดีเหมือนสามีได้พบแล้วคนขับรถเข้ามารับสองสามีภรรยา และช่วยแบกข้าวของสัมภาระซึ่งมีทั้งสัมภาระเดิมเช่นเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวที่นำไปใช้ระหว่างการเดินทางกับสัมภาระใหม่ที่จะนำมาฝากญาติมิตรท่านพระครูเองไม่มีสัมภาระตอนขาไปแต่ขากลับโยมผ่องสายซื้อกระเป๋าเดินทางใบย่อมชนิดมีล้อเลื่อนถวายท่าน ทำให้ท่านได้ของที่ระลึกมาฝากลูกศิษย์ลูกหานายขุนทองได้ชุดสาลีสีแดงเพลิงส่วนเมียนายสมชายได้ผ้าคลุมไหลเป็นผ้าไหมากาสีเนื้อดีหนึ่งผืนสำหรับโยมเชิญสีที่กำลังเดินทางมาวัดพระมารดาท่านซื้อผ้าคลุมไหล่สีขาวให้คนละผืนวันพรุ่งนี้คุณนายเฉลาวรัฐ ก็จะมาปรับทุกเครื่องสามีมีเมียน้อยคุณนายเคยพยาบาลท่านเมื่อครั้งไส่ติ่งแตกบนรถไฟขณะเดินทางไปส่งสามีของคุณนายคือพันตำรวจโทชนอินทนาที่อำเภอเะอวดจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณนายเป็นผู้มีบุญคุณต่อท่านและถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องตอบแทนผู้หญิงมักชอบของสวยๆงามๆ และท่านก็ได้ฝากโยมผ่องสายซื้อมาให้แล้วส่วนลูกศิษย์ที่ไม่มีทุก์และพระในวัดท่านให้โยมเสงช่วยซื้อพระพุทธรูปปางปฐมเทสนาที่ทำด้วยดินเผาไปแจกเพื่อเป็นพุทธานุสติพระพุทธรูปปางนี้เป็นปางที่สวยงามที่สุดและราคาก็ไม่แพงท่านรู้สึกขอบคุณเห็นหนาที่ที่ ทำให้ท่านรู้ว่าใครจะมาหามีธุระอันใดจะให้ท่านช่วยท่านจะได้ใช้หนี้กรรมข้ามชาติเสียให้หมดให้สิ้นเพราะท่านจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วโลกมนุษย์ทุกวันนี้มีแต่ขี้คือขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาไม่น่าอยู่เลยสักนิด ออกจากสนามบินดอนเมืองเท่าแก่เสงบอกคนขับให้ไปส่งท่านพระครูที่วัดป่ามะม่วงจังหวัดสิงห์บุรีก่อนแล้วจึงไปสุพรรณเขานั่งหลังคู่กับท่านส่วนโยมผ่องสายนั่งหน้าคู่กับคนขับเท่าแก่เสงดีใจนักที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านเขาศรัทธาท่านและรู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักมานานแสนานาน ทั้งที่เพิ่งรู้ จ, จักเมื่อ3มปีที่ผ่านมานี่เองอยากมาปฏิบัติกรรมฐานกับท่านหากก็ไม่มีเวลาเพราะต้องทำมาค้าขายทำได้เพียงนำปัจจัยมาถวายเป็นค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็จะถวายท่าน 5,000 ันบาทเขารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจและมีความสุขยังไม่เคยเป็นมาก่อน เพ่งรู้ว่าคนที่ไม่เคยเข้ากรรมฐานได้มีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคนที่มาเข้ากรรมฐานแต่ไม่มีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมจะมีหรือไม่หนอบุรุษวัย45อยากรู้มีมากมายเชละสมพานวัดป่ามะม่วงพูดขึ้นหลวงพ่อรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับ ก็ทำไมจะไม่รู้ล่ะในเมื่อนั่งใกล้กันขนาดนี้ท่านพระครูตอบยิ้มยิ้มท่านไม่อยากให้เป็นเรื่องของการอวดอุตริมนุสธรรมจึงพูดให้เป็นเรื่องขำไปเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยอธิบายว่าทาไมคนที่มาเข้ากรรมฐานแต่ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีและมีมากด้วย ท่านพลักครูมองไปที่โยมผ่องใสเห็นนั่งหลับตัวโยกไปโยกมาเพราะเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางยังไม่ถึงเวลาของโยมผ่องใสที่จะได้ของดีเหมือนสามีได้ปล่อยให้หลับไปก่อนก็แล้วกันส่วนคนขับรถใจจดจ่ออยู่กับหนทางไปวัดป่ามะม่วงและพวงมาลาัยถึงได้ยินไปก็ไม่รู้เรื่องคิดดังนี้แล้ว ท่านจึงอธิบายให้โยมเสงียงฟังความว่าคนที่มาเข้ากรรมฐานไม่ใช่ว่าจะมาด้วยศรัทธาไปหมดทุกคนส่วนใหญ่มาเพราะเห็นคนอื่นเข้ามาก็มาบ้างไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ตั้งใจปฏิบัติมาให้เปลืองข้าววัดไปวันวันบางคนก็มาด้วยอำนาจของโลภะหรือความโลบสั่งให้มา อยากมานั่งให้เห็นเลขจะได้เอาไปแทงหวยในกระพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็มาด้วยอำนาจโทสะเช่นกโกรธผัวทะเลาะกับผัวเลยหนีมาเข้ากรรมาฐานประชดผัวและประชดเมียมีบ้างไหมครับบุรุษวัยส5้าถามอย่างนึกสนุกระคนอยากรู้อันนี้ยังไม่เคยเจอนะต่อไปอาจจะมีก็ได้ ท่านพระครูตอบแบ่งรับแบ่งสู้แล้วจึงเล่าเรื่องของสตรีผู้หนึ่งที่มาเพราะอำนาจโทสะมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งกโกรธผัวแม่เรียกว่าผัวก็ฟังดูไม่สุภาพต้องเรียกว่าพ่อบ้านใช่ไหมท่านถามคนฟังแล้วแต่สะดวกเถอะครับเรียกผัวก็ชัดเจนดีผมไม่คิดว่าไม่สุภาพแต่อย่างใด สามีโยมผ่องใสพูดจากใจจริงงั้นอาตมาก็จะเล่าต่อคือโยมคนนี้เขาโกรธผัวมาจะมาขอบวชอยู่ที่วัดนี้อาตมามองหน้าก็รู้แล้วว่าโยมคนนี้มาเพราะอํานาจโทสะคือโกรธผัวมาอาตมายังรู้อีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นผัวมาตามกลับเลยบอกพรุ่งนี้ค่อยบวชก็แล้วกัน เขาก็บอกงั้นกนผมให้ก่อนก็ได้อัตมาก็ไม่เห็นด้วยตกเย็นผัวมาตามกลับไปกับผัวเฉยเลยไม่มาลาอัตมาด้วยผ่านไปสองสามวันมาอีกแล้วมาอีรอบเดิมอีกคือมาขอบวชชีอัตมาก็บอกเหมือนเดิมอีกตกเย็นผัวมาตามก็กลับไปกับผัวอีกเป็นหนที่สอง จากนั้นก็หายไปประมาณเดือนเศษๆอัตมาก็คิดว่าคงหมดปัญหาแล้วคงไม่มาอีกแล้วที่ไหนได้วันรุ่งขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้ร้องไห้ร้อมหมเข้ามาเลยบอกว่าหลวงพ่อเจ้าขาหนูขอมาบวชชีคราวนี้บวชจริงๆอัตมาถามว่าถ้าเกิดพวกบ้านเขามาตามอีกละ่ะ หลวงพ่อไม่เชื่อแล้วไม่บวชให้แล้วเขาก็บอกว่ามันไม่มาตามหรอกจ้ะมันมีเมียใหม่แล้วแต่อัตมามองหน้าเขาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถึงเย็นรอกบ่ายสองโมงก็มาแล้วเลยจะแก้เผ็ดจึงบอกสมชายพาไปให้แม่ชีเจียนช่วยโกนผมอัตมาคิดว่าคงโกนเสร็จบ่ายสองโมงพอดี ฝ่ายตะผัวมาถึงกุฏิอาตมาบ่ายสองโมงพอดีอีกเหมือนกันเขากราบเสร็จก็บอกว่าจะมาตามภรรยาอาตามาก็บอกว่าเขาจะบวชชียมกลับไปเธอตะผัวก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะขอพูดกับภรรยาเองหลวงพ่ออนุญาตให้เขาพบกันหรือเปล่าครับ เ่าแก่เส็งใกล้รู้ก็ต้องอนุญาตสิเพราะถ้าผัวไม่ยอมให้บวชอาตมาก็บวชให้เขาไม่ได้ท่านพระครูตอบแล้วจึงเล่าต่ออาตมาก็เลยเรียกสมชายมาบอกว่าให้ไปตามโยมที่บวชชีมาพบหน่อยอาตมาจะได้บวชให้ต่ผัวรีบบอกว่าขอคุยกับเมียก่อน ตอนนั้นมีญาติโยมอยู่ด้วยหรือเปล่าครับเท่าแก่เสงถามอีกมีสัก 20- ถึง25ห้าคนได้อัตมาก็จะแกล้งโยมคนนี้อัตมารู้แล้วว่าเขาต้องตามผัวกลับไปอีกแต่อัตมาอยากแกล้งเขาที่มาหลอกอัตมาว่าจะบวชสมชายก็ไปตามมาจากสำนักจีแม้พอเห็นหน้าผัวรีบบอกเลยว่า หลวงพ่อไว้กราวหน้าหนุยค่อยมาบวชก็แล้วกันพวกบ้านเขามาตามกลับแล้วอาตมาก็แกร่งลองใจบอกเขาว่าลองถามพวกบ้านเขาดูสิว่าเขาจะมาร่วมพิธีบวชหรือว่าจะมาข อ, อยาเขาคงไม่ได้มารับกลับมั่งโอ้โหน่าทอสีเลยสามีคงอยากจะลองใจเลยนิ่งไว้แทนที่จะบอกว่ามารับกลับ เขาก็เลยถามผู้ชายว่าพี่จะมารับน้องกลับใช่ไหมพี่เลิกกับอินังนั่นแล้วใช่ไหมตับผัวคงอายคนในกุติบอกเมียว่ามารับกลับเรื่องอื่นค่อยไปพูดกันที่บ้านโยมสองผัวเมียก็กราบปลาอาตมาก็เลยแกล้งพูดว่าโยมนี่ไม่มีสัจจะเลยผิดคำพูดมาสามครั้งแล้วเห็นอาตมาเป็นอะไร ถึงมาหลอกกันถึงสามครั้งสามคราคราวหน้าไม่ต้องมาอีกนะอาตมาไม่ต้อนรับแบบนี้หลวงพ่อบาปไหมครับสา ม, มีโยมผ่องสายอยากรู้อีกบาปเรื่องอะไรล่ะแค่แกล้งเท่านั้นสมน้ำหน้าหัวล้นกลับไปเลยท่านหัวเราะหือๆหอย่างสบายใจที่ได้กแกล้งคนหลอกพระก็หลวงพ่อไปแกล้งเขานี่ครับ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงตอบว่าถ้าอาตมาทำด้วยโทสะก็บาปเพราะทำด้วยจิตที่เป็นอกุศลแต่นี่อาตมาต้องการสอนเขาไม่อยากให้เขามาทำอย่างนี้กับพระไม่มีเจตนาร้ายต่อเขาจึงไม่บาปมันอยู่ที่เจตนานะตัวเจตนาเนี่ยสำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสเจตนาว่าเป็นกรรมถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรม อตาตมาจะเชิญพระพุทธวจนะคือคำตรัสของพระพุทธเจ้ามาให้ฟังโยมตั้งใจฟังนะท่านอัญเชิญพระพุทธวจนะภาษาบาลีก่อนแล้วจึงแปลเป็นภาษาไทยดังนี้เจตนาหังพิกเวกัมมังวัทามิเจตยิตตวากัมมังกโรติวาเยนะวาจจยะมณสาแปลว่า ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่334หน้าที่464นะท่านบอกที่มาให้ด้วยบุรุษวัยส5รู้สึกอิ่มเอิบใจยังบอกไม่ถูก เมื่อได้ฟังพระพุทธวจนะบาลีที่ท่านพระครูอัญเชิญมาเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ภาษาบาลีขึ้นมาเดี๋ยวนั้นจึงเรียนปรึกษาท่านว่าหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ก่อนผมไม่สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาบาลีเลยแต่มาบัดนี้ผมอยากเรียนมากผมจะแก่เกินเรียนหรือเปล่าครับ แล้วเหตุใดผมจึงอยากเรียนท่านพระครูตอบว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนหรอกโยมถ้าโยมสนใจก็เรียนได้ทุกเวลาและที่โยมอยากรู้สาเหตุว่าทำไมจึงอยากเรียนอันนี้อาตมาตอบได้คำตอบก็คือพระโยมได้ดวงตาเห็นธรรมขณะฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจากกัปวัตตนสูตรพอพระท่านว่า พิกเวปุปเพอนนุต ส, สุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิแบบนี้ซ้ำกันถึงสิบสองครั้งโยมฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีทั้งที่ไม่รู้ความหมายเพราะจิตไปจับอยู่กับคำว่า ทำเมสุจักขงใช่หรือไม่ใช่ครับทำไมหลวงพ่อรู้สามีโยมผ่องใสรู้สึกอัศจรรย์ใจนักที่ท่านพระครูรู้สภาวธรรมที่เกิดกับเขาความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อท่านเพิ่มพูนขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวีอาตมารู้ก็แล้วกันเอาอย่างนี้อาตมาจะแนะนำวิธีเรียนภาษาบาลีทางลัด คือยมหาเวลาว่างสักสามวันมาอยู่กับอาตมาที่วัดอาตมาจะให้สมชายจัดที่พักให้ที่หน้ากุฏิอาตมามีเรือนไม้เก่าๆอยู่หลังหนึงโยมมาพักที่นั่นจะได้เรียนภาษาบาลีกันรับรองสามวันได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้อาตมาจะบอกให้คือคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว สามารถเรียนภาษาบาลีเข้าใจได้ภายในสามวันและจะเห็นว่าบาลีเรียนง่ายปกติภาษาบาลีเรียนยากมากต่อให้พระที่จบป ร, รียนธรรมก้าวประโยค ก, ก็ยังเข้าใจไม่ท่องแท้เท่าคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมยกเว้นท่านจบป ร, รียนาก้าวด้วยได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยท่านนึกไปถึงเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตแห่งวัดพระพิเรน พระภิสุผู้มีจริยวัรงดงามด้วยวิชาและจารณะเจ้าคุณจะได้รับการยกย่องให้เป็นปราดทางพระพุทธศาสนาของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าเช่นนั้นผมเห็นจะต้องมาให้เร็วที่สุดบุรุษปุทุชนผู้กลายเป็นอริยบุคคล เพราะบุญเก่ามาให้ผลพูดอย่างกระตือรือร้นเขาคิดว่าเมื่อกลับถึงบ้านจะจัดการทำธุระทางโลกที่ข้างค้างอยู่ให้เสร็จและจะไปทำธุระทางธรรมสักสามวันภรรยาของเขาคงไม่ขัดข้องและคงควบคุมดูแลงานแทนเขาได้โดยไม่ขาดตกบกพร่องตั้งแต่แต่งงานกันมาหล่อนทาหน้าที่ของสีภรรยาได้ดียอดเยี่ยมที่สุด เขาเป็นคนโชคร้ายชีวิตลำบากยากเข็นมาตั้งแต่อายุได้8ดขวบเตียกับแม่ของเขาอบพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ในปี2486ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันันรมหิดลขณะนั้นเขาอายุเพียงสามขวบบิดาได้มารับจ้างแบกหามอยู่ในตลาดท่าเรือคลองเตยมารดา รับจ้างปะชุนเสื้อผ้าอยู่กับบ้านและดูแลลูกชายวัยสามขวบไปด้วยบ้านของเขาเป็นเพลิงเล็กๆทำด้วยวัสดุนานาชนิดที่เก็บมาจากกองขยะหรือตามบ้านเรือนที่เจ้าของนํามาทิ้งไว้นอกบ้านแต่ด้วยความขยันขันแข็งของเตียกับแม่ฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเขาอายุได้แดขวบเตียก็สามารถเก็บเงินซื้อบ้านแบบผ่อนส่งได้ เตียพาลูกเมียมาอยู่บ้านใหม่และเปลี่ยนจากอาชีพรับจ้างแบกหามมารับซื้อของเก่าโดยเปิดร้านเล็กๆในตลาดมีพ่อค้าหาเปร่ไปหาซื้อของเก่าตามบ้านเรือนและร้านค้านำมาขายที่ร้านเตียทำให้เตียมีรายได้มากขึ้นมีเงินผ่อนสมบ้านทุกเดือนและยังเหลือเก็บฝากธนาคารไว้เดือนละหลายสิบบาทแต่แล้ว เขากับมานดาก็ต้องประสบกับมรสุมชีวิตที่ร้ายแรงและหนักหนาสาหัสเกินจากกล่าวคำนั้นคือเตี๋ยพาผู้หญิงมาที่บ้านบอกว่าเป็นเมียอีกคนหนึ่งของเตียและกำลังตั้งท้องได้สองเดือนเตียกําชับให้แม่ช่วยดูแลเมียใหม่ให้แม่หยุดทำงานรับจ้างปะชุนผ้าจะได้มีเวลาทำงานบ้าน ได้ฟังคำของเตียเขาเกลียดผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาทันทีเกลียดเตียด้วยที่แอบไปมีเมียน้อยแล้วพามาให้เป็นนายแม่เตียคงบ้าไปแล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นทาเสน่ห์ให้เตียลหลงไหลจนลืมเมียลืมลูกนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขากับแม่ก็หาความสุขไม่ได้เลย แม่พาเขาเข้าโรงเรียนเพราะอายุเลยเกณฑ์มาหนึ่งปีแล้วเมื่อเขากลับจากโรงเรียนแม่ก็ฟ้องว่าเมียใหม่ของเตี๋ยกแกร่งใช้แม่ทํางานทั้งวันไม่มีเวลาหยุดหล่อนให้แม่ซักผ้าให้แม้กางเกงในของหล่อนก็ยังให้แม่ซักถ้าเขาอยู่บ้านยังไม่เท่าไรเพราะเขาขู่หล่อนว่าถ้าทําอะไรแม่เขาจะฆ่าให้ตายพร้อมลูกในท้อง และถ้าฟ้องเตียเขาก็จะฆ่าเตียและจะยอมติดคุกผู้หญิงคนนั้นจึงไม่กล้าฟ้องเตียหากก็แกล้งเขาและแม่ด้วยการไม่ให้ใช้เงินเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เตียหามาได้หล่อนเก็บไว้คนเดียวเตียชมว่าเมียใหม่ฉลาดและเชื่อทุกอย่างที่หล่อนพูดเขาเกลียดเตียและคิดว่าเตียเป็นผู้ชายที่โง่และบ้าที่สุด แล้ววันที่เขาต้องตัดสินใจพาแม่ออกจากบ้านก็มาถึงเมียน้อยเตี่ยช่างชั่วร้ายเกินมนุษย์ธรรมดาหล่อนวางแผนให้เตี่ยทำร้ายแม่คงคิดอยู่หลายวันหลังจากที่ขู ว, ว่าถ้าทำอะไรแม่เขาจะฆ่าหล่อนวันนั้นพอเตี่ยกลับมาถึงบ้านหล่อนก็ฟ้องเตี่ยว่าเงินหายไปแปดสิบบาทสงสัยไม่เขาก็แม่ขโมยไปเตี่ย เรียกเขากับแม่มาถามเมื่อทั้งเขาทั้งแม่ปฏิเสธเพราะไม่ได้ขโมยไปหล่อนจึงให้เตี๋ยไปค้นที่ห้องนอนซึ่งเขานอนกับแม่เพราะหลังจากหล่อนเข้ามาอยู่ในบ้านเตียก็ให้แม่ย้ายมานอนที่ห้องเดียวกับเขาปรากฏว่าเตี๋ยพบเงินอยู่ใต้ที่นอนแม่ความโกรธบวกความรู้สึกขายหน้าที่มีเมียเป็นขโมย เตี่ยคว้าไม้กวาดได้ก็ฟาดมาที่ร่างแม่จนนับไม่ท่วนเขามองหน้าหลอนอย่างโกรธแค้นแต่หลอนก็ยิ้มย่ออย่างสะใจเขาสงสารแม่เข้าไปกอดแม่ไว้และยอมให้เตี่ยตีเขาแทนเตี่ยก็ตีจนเหนื่อยและประกาศว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้อีกจะไล่เขากับแม่ออกจากบ้านวันนั้นเขาตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องพาแม่หนีไปอยู่ที่อื่น ขืนอยู่บ้านนี้ต่อไปคงต้องฆ่าหลอนและเขาก็จะกลายเป็นฆาตกรตั้งแต่อายุเพียงแปดขวบวันนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่บ้านและตัวเขาก็ไม่ต้องไปโรงเรียนเพราะเป็นวันพระแม่ปรึกษากับเขาว่าคืนอยู่บ้านนี้ต่อไปก็ต้องเสี่ยงกับการถูกเตี๋ยตีแถมยังเป็นฆ่ารับใช้เมียน้อยเตียเงินเดือนก็ไม่ได้ สู้ไปหางานทำที่บ้านอื่นดีกว่าเงินเดือนน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้มีที่อยู่ที่กินก็พอตัวเขาก็โตที่จะทำงานได้แล้วจะได้ช่วยงานเจ้าของบ้านโดยไม่ต้องรับเงินเดือนปรึกษากันแล้วเขากับแม่ก็ออกจากบ้านไปถามตามบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นว่าต้องการแม่บ้านหรือไม่เลือกบ้านที่ไกลออกไปจะได้ไม่ต้องเจอเตี๋ยอีก โชคดีได้งานที่บ้านท่านทูตท่านกำลังจะไปรับตำแหน่งในต่างประเทศต้นเดือนหน้าและต้องการคนเฝ้าบ้านเพราะเลี้ยงแมวและสุนัขไว้หลายตัวเขากับแม่รีบกลับบ้านมาเก็บข้าวของและเสื้อผ้าเมียน้อยเตียยังไม่กลับนับว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเขาแม่พาเขาไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งใหญ่โตกว่าบ้านของเตีย เดือนต่อมาท่านทูตก็ไปรับตํำแหน่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเตียไม่เคยไปหาเขาที่โรงเรียนบางทีเตียอาจไม่รู้ว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนเพราะแม่เป็นคนพาไปฝากเรียนเป็นไปได้ว่าเตียอาจจะเชื่อเมียน้อยว่าไม่ต้องไปตามหาหล่อนอาจจะดีใจที่เขากับแม่ต้องออกจากบ้านไปเสียได้ ก่อนไปต่างประเทศท่านทูตพาเขาไปเปลี่ยนชื่อสกุลจากแท่แต้มาเป็นใจบุญซึ่งเป็นนามสกุลของญาติท่านทูตความที่เขาอยากรวยอยากสร้างฐานะให้ทัดเทียมเตี่ยอย่างน้อยก็ให้เตี่ยรู้ว่าถึงไม่มีเตี่ยเขากับแม่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาจึงหางานทําและได้งานที่เขาถนัดคือ รับจ้างแบกหาเหมือนที่เตี๋ยเคยทำมาตอนที่มาจากเมืองจีนใหม่ๆแม้ตัวจะเล็กหากเขาก็สามารถแบกของที่หนักใกล้เคียงกับน้ำหนักตัวของเขาได้อย่างสบายส่วนแม่ก็รับจ้างปะชุนเสื้อผ้าเหมือนเดิมโดยให้เขาเขียนป้ายติดไว้ที่หน้าบ้านว่ารับจ้างปะชุนเสื้อผ้าแม่ทำงานละเอียดและคิดราคาไม่แพง จึงมีผู้มาใช้บริการอยู่เนืองๆ เ, เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนั้นเขากับแม่มีเงินเก็บรวมกันได้มากพอสมควรส่วนเงินเดือนแม่ภรยาท่านทูตฝากไว้ให้กับเพื่อนบ้านเพื่อให้จ่ายแม่ทุกเดือนนั้นเป็นค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหมาแมวและค่าสมุดหนังสือตลอดจนชุดนักเรียนของเขาบางเดือนก็พอเหลือเก็บบ้าง เวลาผ่านไปสี่ปีเขาก็เรียนจบชั้นปฐมศีกท่านทูตกลับมาพร้อมภรรยาเมื่อเห็นเขาๆก็ต่อว่าแม่มากมายจนรู้สึกสงสารแม่เรื่องที่ทำให้แม่ถูกต่อว่าก็คือท่านทูตเห็นเขาตัวเล็กเรากับเขาไม่โตเลยตลอดระยะเวลาสปีที่ท่านไม่อยู่เขายอมรับผิดแทนแม่ โดยบอกท่านว่าเขาตั้งใจไปทำงานแบกหามเองเพราะต้องการเก็บเงินไว้ซื้อบ้านให้แม่อยู่นอกจากเขาดูตัวเล็กแะแกรนแล้วหลังยังงออีกด้วยเพราะแบกของหนักอยู่เป็นประจำเขารู้สึกประทับใจที่ท่านทูตและภรรยาเมตตาเขาทั้งที่มิใช่เป็นญาติกันและไม่เคยรู้จักมักจีกันมาก่อนคุณนายท่านทูตพูดกับแม่ว่า ถ้ารู้มาก่อนว่าเธอเลี้ยงลูกไม่เป็นฉันคงพาไปเลี้ยงที่เมืองนอกให้แล้วดูซิเด็กอายุสิบสองตัวเล็กยังกับเด็กอายุ8ดขวบท่านทูตไม่ต้องไปทำงานต่างประเทศอีกเพราะปีหน้าก็จ ะ, กะเกษียณหลังจากท่านทูตกลับมาได้สองอาทิตย์ญาติของท่านที่ให้เขาร่วมใช้ชื่อสกุลก็มาหาบอกว่าน้องชายไปแต่งงานกับคนสุพรรณ จึงต้องย้ายจากกรุงเทพไปอยู่บ้านภรรยาซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ครอบครัวของน้องสะพ้ายทำธุรกิจส่งออกสินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่ส่งไปขายต่างประเทศก็คือปลาร้าสุพรรณปีหนึ่งปีหนึ่งทำไรายได้ให้กับครอบครัวเป็นเงินมหาศาลญาติท่านทูตบอกความประสงค์ของการมาว่า อยากจะให้ท่านช่วยหาคนเลี้ยงเด็กให้สักคนหนึ่งเพราะภรรยาของน้องชายกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองส่วนลูกสาวคนโตอายุขวบกว่าแล้วท่านทูตก็รับปากว่าจะหาให้ญาติก็พูดขึ้นอย่างเกรงใจว่าระหว่างที่รอจะขออนุญาตให้แม่และเขาไปช่วยจนกว่าท่านทูตจะหาคนใหม่ได้จะได้หรือไม่ท่านทูตตอบญาติว่า ต้องถามความสมัครใจของแม่ก่อนแล้วเรียกแม่มาถามแม่ก็เกรงใจคุณนายเกรงว่าจะไม่มีคนช่วยดูแลบ้านคุณนายบอกว่าถ้าแม่อยากไปก็ไปได้เลยไม่ต้องห่วงท่านเพราะท่านมีญาติอยู่ทางอีสานจะให้ญาติหามาให้ใหม่ก็ได้แม่จึงตัดสินใจไปอยู่สุพรรณจะได้ไกลจากเตียและเมียน้อย เพราะยังไม่หายแขนเมื่อแม่บอกเขาว่าอาเสงเราจะย้ายไปอยู่สุพรรณด้วยกันเขาดีใจเหมือนได้แก้วตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องดีใจขนาดนั้นตอนนั้นยังไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าที่ดีใจเพราะจะได้ไปพบเนื้อคู่ชื่อเด็กหญิงผ่องใสใจบุญ ท่านพระครูพูดขึ้นราวกับว่าเขากำลังเล่าให้ท่านฟังอยู่หลวงพ่อรู้แหละครับว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ยังไงล่ะก็โยมคิดเสียงดังออกอย่างนั้นอัตมาก็ฟังเพลินเลยท่านพูดติดตลกเรื่องอะไรจะบอกว่าท่านต้องกำหนดรู้หนอจึงได้รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่โยมพ่องใสากาลังหลับเพลิน ได้ยินท่านพระครูเรียกชื่อเขาสะดุ้งตื่นชะงโงกหน้าออกมาถามว่าหลวงพ่อเรียกโยมเหรอคะเปล่าเรียกอาตมากาลังฟังโยมเท่าแก่เขาเล่านิทานชีวิตให้ฟังไม่มีอะไรหรอกนิมนโยมห ล, ลับต่อเธอท่านตั้งใจใช้คำว่านิมนโยมผ่องสาสแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อนี่แปลกเรียกชื่อเราอยู่แปลบ กลับบอกว่ากำลังฟังเฮียเล่านิทานชีวิตสงสัยเลือดลมไม่ดีไม่สนใจแล้วหลับต่อดีกว่าถูกของโยมอาตมาเลือดลมไม่ดีคงจะเข้าสู่วัยเลือดจะไปลมจะมานะท่านพระครูพูดอีกโยมผ่องใสตกใจหายง่วงเป็นปลิดทิ้งรีบกล่าวคำขอขมาท่านเอี้ยวตัวไปทางด้านหลัง มือประนมปากพูดว่าโยมกราบขอเข้ามาหลวงพ่อค่ะโปรดอโหสิกรรมให้โยมด้วยตกลงอาตมาอโหสิกรรมให้แต่โยมต้องฟังอาตมาเล่านิทานชีวิตของโยมเท่าแก่แล้วช่วยพิจารณาด้วยว่าที่อาตมาเล่านั้นถูกผิดหรือจริงเท็จประการใดตกลงไหมตกลงค่ะ ภรยาเฒ่าแก่เสงรับคำหนักแน่น